ท่านประโยชน์าวาจารทั้งหลายเรื่หรับเทปนี้ก็เป็นเทปที่มีความสําคัญมากเพราะจะพูดเรื่องกายยขตานุสติกรรมฐานเรื่หรับกายคขตาโนสติกรรมฐานนี้เอามารวมกับอสุปกรรมฐานสิบอย่างเพราะเป็นแนวปฏิบัติถ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติตามนั้นผููเฉพาะกายยขตาโนสติ ก็จะมีความไม่เข้าใจจริงๆแล้วต้องรวมกันสองอย่างกายยกตานุสติ ด, ด้วยอสุปกรรมฐานด้วยวันนี้ก็คงเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสอง 31, <c oughs> 1ห้าสาเอ็ดเป็นการบันทึกตอนที่สองของวันนี้สำหรับกายยกตานุสติก็ดีอสุปกรรมฐานก็ดี จะของลดไว้ก่อนเตือนกันเดียดโดยเฉพาะคําเตือนนี่ทุกทุกท่านค่อยถือว่าเป็นวิ น, นัยจะเป็นพระเป็นเลนุมาสุปฏิกาที่อยู่ในวัดเขาตาม <c oughs> กรรมฐานทั้งหมดถือว่าเป็นวินัยที่เราจะต้องปฏิบัติจะถือเป็นวินัยกดข้ อ, ขอบังคับเฉพาะพระวินัยอย่างเดียวนั้นไม่ได้เพราะที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติ ถ้าถือเฉพาะวินัยอย่างเดียวต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะเป็นคันธะตุระสาหรับที่นี่เป็นวิปัสนาธุระต้องถือตามแบบคันธัตุระด้วยวิปัสนาธุระด้ว ย, วะวยจะสิ่งที่ต้องเตือนกันก็คือหนึ่งนิวรห้าแปรการตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปกวายพูดจบ ให้ทุกท่านระ ง, งับนิวรณ์ห้ามระการทิ้งเสียแล้วก็อย่ามั่งว่างไม่ได้พูดก็ควรจะระงับด้วยเพราะนักปฏิบัติก็ดีนักบวชค็ดี <c oughs> ถ้าไม่สามารถระ ง, งับนิวร์ได้ท่านก็ไม่พ้นความเลวเพราะว่านิวร์นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าเป็นกิเลสยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังถ้ามีนิวรอย่างใดยังหนึ่งเข้าครอบงาจิตแสดงว่าท่านเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญานี่ไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวการจะฆ่านิวรณ์ให้ตายทันทีทันใดก็ฆ่าไม่ได้ไม่กันต้องใช้วิธีระงับ ถ้าระงับทางใจไม่ไหวมันยุ่งทางใจก็จงอย่าให้ไหลมาถึงทางกายและวาจา <c oughs> กายสงบสงี่ยมวาจาสงบเสงี่ยมใจเต้นถึกตักก็ยังดีกว่านิวรนไหลออกมาเหมือนกับเราขังเสือไว้ในที่แคบไม่ใหม่เสือก็จะดิน้นมันดินน้นนานเข้าออกมาไม่ได้ก็ค่อยๆหมดแงรงไปทีละน้อยๆ ในที่สุดเสือก็จะหมดกำลังข้อนี้ฉันใดแม่นิวรอนก็เหมือนกันถ้าเรางับตัดมันไม่ได้จริงๆมันกวนใจแต่โกนกายกวนวาจาไม่ได้ไม่ช้าก็าสายการกดนิวรอนไวมันก็จะสลายตัวครงครามเรื่องนิวร น, นี้ต้องระงับอย่าเป็นธาตของนิวรเกินไป รายการที่สองนึกถึงความตายที่เรียกว่ามรณานุสติรายการที่มีความสำคัญขั้นต้นก็คื อ, อนาปานุสติขณะที่รับฟังอยู่จับลมให้ใจเขาออกไว้มีงานอะไรพักประเดี๋ยวหนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งทำได้ทำใจสบายชนะเอาความจริงใจเข้ามาใช้ เอาความชนะขนาดวิเศษเข้ามาใช้กันตอนนี้อย่าทําตนเป็นคนผู้เป็นคนผู้แพ้ต่อความชั่วเพราะว่านิวรนเป็นความชั่วกิเลสหยาบคือความชั่วอย่างเลวอความชั่วน่ะมีอย่างดีมีอย่างเลวชั่วเบาๆนี่อย่างดีถ้าชั่วหนักนิวณนนี่ชั่วหนักเป็นอย่างเลวมากต้องระงับนิวร์นิวรนนีต้องระงับมนทั้งวัน แล้วก็รู้ลมให้ใจเข้าออกทรงสินกำบฏสิบสินสิบสินสองยี่เจ็ดให้ครบถ้วนตามกำลังของท่านผู้ปฏิบัติคุบาสกอุบาติกาก็มีสินห้าสินแปดเมน ม, ม, ม, มีสินสิบพระสนสินสองยี่ิบเจ็ดย้ายบกคร่องหลังจากนั้นไปก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจ ต่อจากนั้นไปก็คิดว่านิพพานเป็นที่มาของเราเราไปนิพพานกเป็นนีพพานของเราแล้วก็เราจะมีทานการบริจาคยอมรับนับถือกดความดีของเทวดาที่เราเห็นโาตปาทั้งหมดนี้ท่านจะมีหรือไม่มีอยู่ที่คำบทสิทธฉะนั้นขอบรนดาลญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ในวัดก็ดีทีม่มาจากที่อื่นก็ตาม ดูพระดูคนในวัดถ้าพระ อ, องค์ไหนคนคนไหนละเมิดกำหนดสิบคนนั้นเลวแสนเลวหรือพระ อ, องค์นั้นก็เลวแสนเลวยอดความเลวไม่ควรครบหาสมาคมรวมความว่าทั้งหมดนี้เป็นกรรมฐานเฉพาะที่ป้องกันอบายภูมิถ้าปฏิบัติได้แล้วทั้งหมด อาบายภูมิไม่มีที่มาของท่านท่านไม่ต้องตกมรรคไม่ต้องเปเปรต เ, เป็นสุรกายเป็นสเด็จฉานเกิดเป็นคนกี่ชาติจะมีแต่ความร่ำรํำรวยมีได้ความสุขเป็นคนสวยสวยด้วยสุขภาพดีด้วยมีความสุขและมีมิตรเนืองคบหาสมาคมที่ดีมากแล้วก็มีความร่รํารวยมหาศาล มีเกณฑ์ปณิพันธ์ง่ายๆ <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะพูดถึงกรรมฐานใหญ่ที่แล้วมาเป็นกรรมฐานป้องกันอบายภูมิสำหรับกายยังาตานนสติจะพูดต่อไปนี้จะร่วมกับอสุภกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดใหญ่ตัดทั้งอนาคามีและอารหาันอย่าลืมนะ ว่าเป็นกรรมฐานใหญ่มากถ้าอย่างเบาตัดเบื้องต้นได้จะเป็นอนาคามีถ้าตัดถึงที่สุดจะเป็นพระรหันต์กา ย, ยกตานุติ็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้นปอดเป็นต้นอาการถันิสองผมก็จะไม่เรียงอาการถนันทีสองให้มันเมื่อยพวกคนก็มองดูคำว่ากายคำเดียวก็หมดเรื่อง กายของคนกายของสัตว์มีอาการสามสบสองของ้อทนเบื้องสูงตั้งแต่ผมลงมาถึงฝ่าเท้าถึงเบื้องต่ำให้จากเบื้องต่ำขึ้นไปจนฝ่าเท้าถึงปลายผมเบื้องสูงทุกจุดที่แปลกายเขาสารสิบสองและทั้งหมดจะต้องรวมกับอสุภกรรมฐานอสุภภาพเราไม่สวยไมงามน่าเกลียดโสโครก อสุภาพแปล ง, ง, ง่ายก็คือของสุขภพ ก, กระวมความและพระเจ้าให้ทรงทราบทรงมีความประสงค์ให้ทุกคนเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีไม่ใช่แท่งทึบมันเป็นชุนเป็นเป็ น, ปนชิ้นเป็นส่วนผมก็มีส่วนผมฟันก็เป็นส่วนของฟัน หนังก็เป็นส่วนของหนังเล็บก็เป็นส่วนของเล็บเนื้อก็เป็นส่วนของเนื้อก็ดูกก็เป็นส่วนของก็ดูกตับตายเช่ปอนก็เป็นส่วนของมันแต่ถ้าส่วนต่างขต่า ง, างมีชิ้นมีท่อนมีตอนมีจังหวะไม่ใช่ไม่ใช่แท่งทึบโดยเฉพาะไม่ใช่ลำไส้ก็เป็นแท่งลำไส้กิดดูกนี่มันก็เป็นท่อนเป็นตอน จะมีกี่ท่อนจะมีกี่ตอนผมจะไม่อธิบายไม่มีความจําเป็นเพราะคนทุกคนที่ฟังอยู่เวลานี้เป็นคนมีปัญญาถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็สนแสดงว่าเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาในผมก็ไม่อยากคบคนที่ไม่มีปัญญาเลยนี่คบกันไม่ได้เพราะว่าคบแล้วก็เสียเวลาเปล่า คนทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีปัญญารู้จักใครเป็นพ่อรู้จักใครเป็นแม่รู้จักคำมันร้อนรู้จักคำมันหนาวรู้จักคำมันหิวรู้จักอาการป่วยไข้มาสบายอย่างนี้เป็นคนมีปัญญาแต่ว่าปัญญาจะมากจะน้อยอยู่ที่การอบรมที่ถ้ามีบุญบารมีสั่งสมได้ปัญญาบารมีมามากก็มีปัญญามาก อบรมในด้านปัญญาบา ร, รมีมาน้อยก็มีปัญญาน้อยของเก่าท่าน้อยมาเสริมกันได้ไม่ใช่ถือจะถือแต่ของเก่าอย่างเดียวถ้าถือแต่ของเก่าอย่างเดียวก็ไม่ควรจะเป็นคนควรจะเป็นผีตามเดิมสันดานผีถ้าเป็นผีที่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเนื้อมีหนังก็ดีใต้ผีดิบที่น่าเกลียด พวกผีดิบไม่ได้มปนคนคบหาสมาคมขอพูดกันไปตรงๆว่ากายกยตานุสติอาการของกายตั้งแต่ผมถึงฝ่าเท้าสกปรกทั้งหมดสุกปรกนี้เป็นสุปรกรรมฐานมีส่วนใดบ้างที่เห็นว่าสะอาดมองแล้วจะไม่เห็นเลยผมถ้าไม่ชำระสะสางมันก็เหม็นสาบ หนังไม่ชำระสัสางก็เหมือนเหือใครแล้วตับไตไส้ปอดข้างในเอามาดูที่มันสุขภัณฑ์สะอาดคนทุกคนที่เราเห็นว่าสวยผิวดีก็แค่หนังกําพร้าบางๆแล้วหนังกําพร้าบางๆเนี่ยถ้าไม่ชำระสัสางไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกายมันก็มี ม, มีเหือใครเต็มก็เต็มด้วยความสุขภัณโสโครกร่างกายของคน มีบุจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มอะไรบ้างที่เราเนยมว่าดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่น้ำลายในปากน้ำลายในปากนี่เราก็ทําตนเป็นคนผีหลอกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำลายที่อยู่ในปากมันไหลามาถึงปากเราสามารถกลืนได้เราไม่เห็นน้ำลาย แต่ว่าพอน้ำลายไหลออกมาจากปากแม้แต่มือของเราจะไม่สามารถจะแตะต้องได้เพราะรังเกียจน้ำลายแล้วก็อยาถามว่าน้ำลายมันอยู่ที่ไหนน้ำลา ย, ยในปากของเราน้ำลายอยู่ในท้องของเราฉะนั้นปากของเราท้องของเราสะอาดและสกปรกมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ สิ่งที่ไหลอีกอันหนึ่งนั่นคืออุจาระและปัสสาวะอุจาระเป็นอาหารที่เราเลือกแล้วเลือกอีกก่อนจะกินเราเลือกอาหารอย่างนี้มีคุณอาหารอย่างนี้มีโทษอาหารที่มีโทษเราไม่กินอาหารที่มีคุณเรากินอาหารอย่างนี้สะอาดไม่มีโรคภข้ไข้เจ็บไข้ไมีเชื่อโรคเรากิน อาหารอย่างนี้ไม่มีเชื่อโรคเราไม่กินแล้วคนกินอาหารน้ำมันเป็นโรคไหมคนที่สุดจะเป็นคนขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นโรคตัวกันทั้งหมดข้ามาพูดได้ความสอายก่อนในเมื่อเราเลือกอาหารอย่างดีที่สุดดีไม่เดียวกินให้มันแพงที่สุด เป็นเหลาชั้นสูงที่สุดเหลาคือพัตตาคารเหลาที่สูงที่สุดมีราคาแพงๆกินอิ่มบ้างกินอวดบ้างไอ้กินอิ่มนะหมายความซื้อมาอาหารถูกๆก็กินได้กินแค่อิ่มถ้าเพ่กินอวดต้องซื้อของแพงๆมากินซื้อมากๆกินน้อยๆเหลือมากๆอย่างนี้เขาเลยกินอดกินกินเพื่อความจิบหายขายตน สร้างความทุกข์ทุกแปรริษัทกรงควาอาหารจะเลือกอย่างดีขนาดไหนก็ตามกินเข้าไปแล้วอิ่มมันก็อิ่มเท่ากินข้าวราแกนราคาถูกๆเอากันแค่อิ่มคุนค่าเสมอกันเมื่ออิ่มแล้วรู้สึกว่ามีความสุขต่อมาความทุกข์ก็ติดตามเพราะอาหาร นี่เป็นอริยสัจก็คือโปรดอุจาระปัสสาวะเป็นนิพพัตทธธุกข์ถ้ารู้ว่าทุกข์เป็นอริยสัจเป็นวิปัสนาย่างขั้นสูงมันก็เกลียดกลัวกันไปต่อเห็นว่าสุกปรบกเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นท่อนของร่างกายอย่างนี้เป็นสมนถะภาวนา เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นวิปั ส, สนาภาวนา ม, มันก็เดินร่วมกันไปไม่แยกกันต่อมาการปวดอุจาระปั ส, สวะเกิดขึ้นเป็นสุขและเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วการรู้ทุกข์ว่าร่างกายเรามีอย่างนี้การที่เราจะทุกข์ได้เพราะการมีร่างกายมีอาการ32ครบหรือไม่ครบเลยสาคัญมันก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้เป็นอริยสัจ ต่อมาอุจาระกับปัสสาวะหลั่งไหลออกมาน้ำที่อย ก, กินนี่เป็นสะวะปัสสาวะเลือกแล้วเลือกอีกตรง น, น้ำดีๆน้ำสะอาดน้ำโสข้าเชโรคแล้วเป็นของอย่างดีที่สดจี่งกินอาหารดีที่สดจี่งกินมีรสอร่อยสดชื่อนอยากกินมันนานกินไดจ้จุอาหารราคาแพงแต่พอเยี่ยวอกยวอกมาค่ยวมาใครมองบ้าง พอพูดภาษาไทยปัสสาวะคือเยี่ยวอุจจาระคือขี้พวกปัสสาวะอุจจาระบองโนูแลมันสะอาดถ้าพูดขี้กับเยี่ยวมันสกปรกมีไมมีกําลังใจหนักกว่ากันน้ําเยี่ยวที่ไหลออกมาจากท่อปัสสาวะทางเดินเขามัน มีใครคนไหนบ้างไหมที่มีความรู้สึกว่าน้ําที่เรากินเนี่ยเป็นน้ําเป็นแสะสะอาดเวลานี้น้ำํำสะอาดเราเก็บไว้ในท้องรองกลับมากินมันใหม่มีใครบ้างไหมจะมีบ้างกับพวกเดินทางไกลที่หาน้ําไม่ได้หรืออยู่ในสนามรบที่เคลื่อนตัวไม่ไหวต้องกินกินเพราะอะไรกินเพราะจ ำ, จ, ำจินจําใจกินเพื่อรา่างกายมันจะขาดน้ํา การดื่มเข้าไปก็หน้าตาไม่สดชื่นนี่แค่ปัสสวะนะ่ะคือเยี่ยวอุจาระอาหารที่เราเลือกดีแล้วถ่ายมาแล้วคนจะกินใหม่มันย่อยดีแล้วแต่ก็ไม่มีใครกินไม่อยากกินก็ไม่พอหน้าก็ยังไม่อยากมองมือก็ยังไม่อยากแตะแล้วอุจาระและปัสวะขี้จะเยี่ยวมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ในร่างกายใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้างั้นร่างกายภายในมันเต็มด้วยของสะอาดจะเต็มด้วยของสกปรกเราก็อย่าทราบว่ามันเต็มด้วยของสกปรกโสโครกแล้วมีส่วนไหนบ้างไหมที่ร่างกายมีสะอาดจริงๆไม่ต้องความทําความสะอาดมันใหม่มาสะอาดตลอดเวลา <c oughs> ก็ตอบได้เลยว่าไม่มี ในเมื่อไม่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้มองเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นอาการทัศทิส2 <c oughs> มันแบ่งส่วนของงานแต่ละอย่างมันทำงานไม่เสมอกันผิวหนังมีหน้าที่ปิดภายนอกเนื้อมีหน้าที่หุ้มอวัยวะภายใน วายวะภายในเต็มมีความสุขรกระกโสโคบมีงานที่ต้องทำเพื่อเป็นการบดอาหารบ้างทําการย่อยบ้างส่งอาหารบ้างสุบสร้างเลือดบ้างสุบเลือดส่งไปบ้างเอาเลือดใหม่ที่เลือดใหม่ใจไปเป็นเก่ากับเสียหายกับมาสุบใหม่บ้างมันทํางานอย่างนี้ถ้าร่างกายที่ว่าสุขกระกอย่างนี้เป็นที่ไม่ตอนอย่างนี้มันดีตรงไหนตอนนี้เข้าวิปรัสนายานกัน มองแล้วร่างกายไม่มีดีเลยมันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงจะเป็นส่วนไหนก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมผมก็รู้จักงอกเป็นหัวก็รู้จักล้านเป็นหนังก็เหี่ยวเป็นหูก็ฝาบตาก็ฟางเป็นฟันก็ปวดฟันก็หักเป็นร่างกายก็ทุดโทรมเป็น ถ้าแถมมีโรคภัยไข้เจ็บโรคคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันเสื่อมไม่แก่ไปทุกวันนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์นี่เป็นไตรลักษณ์ก็ได้เปเรียญสัจก็ได้ตอนนี้เป็นมีปรัชนาญาณก็ต้องมามองตามความเป็นจริงร่างกายนี้เป็นปันจจัยของความทุกข์เรามีความหิวหิววันทุกข์เพราะร่างกาย เราหนาวหนาวเพรมันก็เป็นทุกข์เพราะร่างกายเราร้อนเกินไปมีความทุกข์เพราะร่างกายเราป่วยไข้ไม่ส บ, บายมีความทุกข์เพราะร่างกายเรามีความแก่เพราะร่างกายเราต้องตายเพราะร่างกายคำว่าร่างกายตาย <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เถือว่าเราตายแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้ตายร่างกายมันตาย ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามีความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกของผ้ารหัน <c oughs> เป็นสังขารเปรคข้ายานอย่างสูงไปต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เต็มในความสปกปกโสโครกเป็นสมถภาวนาร่างกายมีการสุดโทมพิปัสนาภาวนา ร่างกายเต็มไปด้วความทุกข์เป็นวิวัฒนาพุนาร่างกายมีการสลายตัวในนิสุดที่เรียกว่านัก ต, ตาเป็นวิวัฒนาภาวนาในเมื่อมันทุกอย่างนี้ในเมื่อมันสุขปรกอย่างนี้ในเมื่อมันมีการสุดโทรมอย่างนี้เรายังต้องการร่างกายอย่างนี้หรือ ถ้าเรายังมีความต้องการร่างกายอย่างนี้เราก็โง่เกินไปเพราะร่างกายประเภทนี้เราจะเกิดอีกกี่ชาติมีร่างกายอย่างนี้แล้วก็พบกับของสกปรกอย่างนี้ก็พบกับความทุกข์อย่างนี้แล้วก็พบกับความตายอย่างนี้กลุ่มความนั่งพิจารณาร่างกายให้เกิดนิพิทายอย่างความเบื่อหน่ายแต่ให้มันเบื่อจริงๆนะ แกสักต ว, ว่าเบื่อเบื่อใหม่ใม่กต้อง เ, เชื่อความเบื่อ <c oughs> ถ้าคนเบื่อใหม่ๆหนี่มีหลายรายจดหมายมาบอกเบื่อเรื่เกินร่างกายอยากจะปนิพนธ์ไม่อยากอยู่และจดหมายรับหลายสิบฉบับแต่ละฉบับนั่นแหละไม่เกินสามสี่เดือนแต่งงานอย่างนี้สแสดงว่าเบื่อกันอยู่คนเดียวมีร่างกายกายเดียวเบื่อลองมีสองร่างกายที่มันจะเบื่อและไม่เบื่อ ต่อไปไม่อยู่ทั่ตัวผัวเมียแล้วมันยังเบื่ออีกก็ลองมีลูกโด่งจะเบื่อถ้าไม่เบื่อ <c oughs> สร้างงานทำใหม่ต่อไปอันนี้เบื่อไม่จริงอย่าใช้เบื่อหลอกๆที่มีหวังลงมาบายภูมิ <c oughs> เมาความดีดีไม่จริงแต่เมาต้องค่อยๆเบื่อใช้ปัญญาเบื่ อ, อ, อ, อ, อเบื่อน้อยๆค่อยๆเบื่อ เบื่อจนทั้งเห็นการเบื่อที่สุดหมดความรู้สึกในกามารมณ์ถ้าหมดความรู้สึกในกามารมณ์มันก็หมดความรู้สึกในความโกรธเปมนกันความโกรธความย่าไยก็หมดไปด้วยเพราะไรความต้องการในร่างกายไม่มีอยู่ในเมื่อความร่างกายในต้องการร่างกายของเราไม่มีร่างกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการ จะสัมผัสกันหนักไหนความรู้สึกในการมารมไม่ปรากฏ <c oughs> ในเมื่อไม่มีความรู้สึกในการมารมความต้องการอย่างอื่นก็ไม่มีในเมื่อความต้องการอย่างอื่นไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีมันสลายไปได้วยกันถ้ามันสลายไปจริงๆอย่างนี้จิตจะประกอบปิถุมีฐานสีชัดเจนมากจิตจะมีความเข้าใจในความจริงมาก ความจริงในที่นี้คือคามความเข้าใจในความจริงของร่างกายร่างกายเราร่างกายของเขา <c oughs> มีสภาพเหมือนกันหมดมีแต่ความสุขปรกมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์มีความตายนีนสุดมีความเหมือนเข้าใจเหมือนกันหมดอย่างนี้อารมณ์จิตเข้ามาเยือกเย็นมีบริหารสี่ครบถ้วนเต็มกำลังใจจิตใจก็เริ่มไปสุข เห็นคนที่ทำอย่างอื่นก็เหกว่าบ้าไปแล้วแต่ก็ไม่ตาหนิใครว่าบ้าเทียวกันกฎธรรมดาความยอมรับนัอถือกัธรรมดามีขึ้นในเมื่อความโกรธความพยาบาทสลายไปความรู้สึกทางเพศสลายไปอย่างนี้ท่าเรียกพระอนาคา ม, มีเมื่อถึงอนาคา ม, มีถ้าความหวังที่เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไม่มีอีกแล้ว ตายจากความเป็นคนไปเป็นเรวดาแล้วผมก็เลื่อยไปถึงพระนิพพานตอนนี้ไปก็ตัดให้เข้าถึงนิพพานไปเลยสังขารุปเกขา ย, ยานความรู้สึกเบื่อหน่อยในร่างกายจากนิพิทชายานเป็นอารมณ์เขาว่านานคามียรขยับอีกนิดเดียวเข้าไปตัดอารมณ์ความรู้สึกตัดความเบื่อทิ้งไป <c oughs> ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายเป็นกฎของธรรมดา ไม่มีอะไรจําเป็นต้องเบือ่อร่างกายมันสกปรกก็สกปรกแบบนี้เป็นปกติของมันร่างกายมันสุดซมแบบนี้ก็เป็นปกติของมันร่างกายมันจะพังแบบนี้ก็เป็นปกติของมันในเมื่อปกติของมันเป็นแบบนี้ทําไมต้องมานั่งคิดเบือ่อเราก็ควรจะเบื่อกําลังใจของเราเองไม่ใช่เบื่อร่างกาย เบื่อกำลังใจว่าเพราะวาใจของเรามันคิดชั่วเป็นคบชั่วกิเลสความเศร้าหมองคนจิตตั้หาความทยานอยากอยากมีร่างกายอุปาทานคิดว่าร่างกายเป็นของดีอากุศลกรรมทําให้มันเกิดร่างกายอากุศลรกรรมแล้วทําแบบโง่ๆอะไรที่มันเลวหาว่าดีอะไรที่ดีหาว่าเลว ตัดอารมณ์ชีอย่างนี้หมดไปจิตใจเป็นสุขมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอาการมันจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของมันมันแย่ป่วยก็เรื่องของมันมันแย่แก่ก็เรื่องของมันมันแย่ตายก็เรื่องของมันไม่ใช่เราถ้ามันพังเมื่อไรใจเราเป็นสุขนั่นคือนิพพาน ตอนนี้สังขารเปียกขยานการวางเฉยในร่างกายก็เกิดขึ้นรู้สึกเมื่อาการทุกอย่างเมี่อาการปกติเป็นของธรรมดาไปหมดร่างกายป่วยก็ธรรมดาร่างกายแก่ก็ธรรมดากร็รวมความว่าเวลานี้มันก็จะหมดเวลาหรือไหลไม่ถึงครึ่งนาทีก็จะหมดแล้วรวมความว่าจิตใจวางเฉยทุกอย่างไม่ไดิน่นหนอย่างนี้เป็นพระหันเข้านิพพานแนบ ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอยุติวัตเพียงเท่านี้นะ เ, เวลามันจะหมดรือไม่ถึงครึ่งนาทีขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี